พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ยี่สิบหสุตตันตปิฎกขุทธกาณิายวิมานวัตถุเปตาวัตถุเทระคาถาเทรีคาถาพระไตรปิฎกเล่มที่ยีบหนี้มีเรื่องใหญ่แบ่งออกเป็นสี่ส่วนคือหนึ่งวิมานวัตถุเรื่องวิมานแสดงว่าใครทําความดีอย่างไรทําให้ได้วิมานอย่างไร ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่พระมหาโมคลานะเทระถามเทพบุตรเทพธิดาถึงอดีตกรรมที่ส่งให้ได้เกิดในวิมานนั้นๆมีคำตอบของผู้ถูกถามเป็นรายๆไปรวม8ปบห้ารา ย, รราย 2. เปตวัตถุเรื่องของเปรตคือผู้ล่วงลับไปแล้วได้รับทุกขโทรมาในสภาพของเปรตมีลักษณะต่างๆกัน51บอดเรื่อง 3. เทระคาถาเป็นพาสิทธทางธรรมมีกติเตือนใจของพระเทระต่างๆรวม264รูป 4. เท ร, รีคาถาเป็นพาษิทธทางธรรมมีกติเตือนใจของพระเท ร, รีคือนางภิกษุณีผู้เป็นเท ร, รีรวมเจบสารูปเรื่องที่หนึ่งวิมานวัตถุ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 จึงเป็นผู้ดับเย็นแล้ว 7. ภพาสิทธ์ของพระนางธรร ม, มาเทรีเราเที่ยวบินธบาตถือไม่เท้ามีกําลังน้อยมีตัวสั่นเทาล้มลงบนดินในที่นั้นเห็นโทษในกายแล้วจิตของเราก็หลุดพ้นแพาสิทธ์ของพระนางสังคาเทรี